ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็จะมาคุยกันเรื่องการการะเปรดสำหรับเรื่องกากระเปรดที่ในความมีว่าในสมัยม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัางทรงชีวิตอยู่เวลานั้นอากาสาวก็องค์สมเดตจระรมโพคือพระบุคคลากับพระลักษณะ จำบรรสาอยู่มันย่อดเขาให้จะโกดกขั้นมาถึงเวลาเช้าเจ้งสองท่านลงจะเขาฮึจะโกดเพื่อจะวินาทก็พอดีพระโมคคัลลาเห็นกากระเพลดพอดีจึงสองจึ ง, จงทำการยิ้มขึ้นให้เฉยยิ้มโดยไม่มีเหตุผลพระลักษณะ เมื่เห็นนโมกัลลายิ้มก็ถามว่าท่านโมกัลายิมเพราะอะไรนโมกัลาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเรื่องนี้ไปถามเราที่ธนักองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่าตอนสายๆหลังจากบิณฑบาตแล้วฉนันข้าวแล้วเราก็จะไปฟังเทศรประพุทธเจ้าที่มาหาวิหาร ใน ต, ตอนนั้นท่านถามเราที่นั่นก็แล้วกันอลักษณะก็จําไว้ถ้าต่างองค์ต่างก็ไปบิณบำบัดเมื่อกลับปมาฉันเสร็จทั้งสององค์ก็ไปไประมหาวิหารเวลานั้นพระองค์สมเด็จพระวิิตามารคือพระพุทธเจ้าทรงเทศจบอลักษณะก็ทวงพระมกคัลาพระธันโมคคลานะ เมื่อตอนเชาน้านี้ท่านเดินมายิ้มยิ้มยิ้มทั้งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเมื่อผมถามท่านท่านบอกว่าให้ใหถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบแล้วผมขอถามท่านว่าท่านยิ้มเพราะอะไรพระพุทธลาก็บอกว่าท่านนขณะ ตอนที่ผมยิ้มนั้นผมเห็นเตดตัวหนึ่งมีรูปร่างเหมือนกามีปีกมีหางมีขนแต่หน่าเป็นคนลอยมานาอากาศมีไฟลุกท่วมตัวมีดาบฟันถ้าหอกแข็งไม่ขาดสายทำไหน้กการแปลอย่างนั้นถึงมีการยิ้มเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงฟัง ก็สงตัดวา่าพิตวเวย์ดูก่อนที่สุดทางหลายแต่ตัวนี้ก็ดีคือการกับเปรตได้เปรตก็ตามตถาคตได้พบแล้วเมื่อสมัยที่นั่งอยู่ต้องใต้ตโคนโพแต่ว่าตถาคตไม่มีพยานที่ไม่กล้าจะพูดกับใครในลานี้ตถาคตมีพยานแล้วคือพระโมคคัลลา เมื่อเวลาไเห็นเปรตตัวนี้พระเขาคเคยขอเล่าความเป็นมาของเปรตไปบุพบการของเปรตและพระพุทธเจ้าจทรงตัดา่าปเวดูก่อรพิสุทังหลายในสมัยเมื่อก่อนที่เปรตนี้จะมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี้เกิดเป็นกาเป็นโลกกาจับอยู่บนน้ำคาสลาในวันนั้นเป็นวันพระ เวลาที่ชาบ้านเข้าไปทําบุญเมื่อกาเห็นกับข้าวไปที่ชอบใจกลาเป็นชิ้นใหญ่วางอยู่ในกระจาาคือในกระจ่าที่เขาจะทาไปทําบุญก็บินโฉบมาข้าบอบกลาไปกินเพียงเท่านี้กฎของกรรมเพียงเท่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่ปามาเกิดเป็นเปรต ทั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าของนั่นเขาจะนําไปถวายพระแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าของนั้นจะถือว่าเป็นของสงก็ยังไม่ใช่ทั้งนี้เพราะว่าจะของยังไม่ได้กระเคนสงยังไม่เป็นของสงแต่ว่าจะถือว่าเป็นของเจ้าของก็ไม่ใช่ก็ระเขอาตัดสินใจแล้ว ของทั้งหมดนี้เราจะนํามาถวายพระก็ลมความวเป็นของกลางเป็นของไม่ให้ไม่ใช่ของเจ้าของด้วยก็ไม่ใช่ของสงด้วยแต่เรื่องของนี้เขาตั้งใจไปทําบุญไปถวายทานพระกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านี้โลก่ก็พิสุทธิ์ทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเปรตตัวกาตัวนั้นตายจากความเป็นกามาเกิดเป็นเปรต นีถ้าบาังเอิญเขาประเทนสองแล้วนะการตัวนั้นต้องร อ, อเวทีหมอนารกนี่เป็นการบังเอิญเขาไม่ยังยังไม่ได้บัพเทนสองยังไม่เป็นของสองด้วยถ้าไปเป็นของเขาจะเป็นของกลางกลางระหว่างจะทําบุญ <c oughs> แต่ตัวนี้ถะไหทุกคนสนานมานานเพราะว่าถึงมีไฟไหม้ตัวโลกตลอดเวลา เป็การในสองดาบหลายเล่มฟันตลอดเวลาเหมือนกันป็นการในสามหอกหลายเล่มแทงตลอเวลาเหมือนกันแล้วก็ลอยไปดาอากาศนี่บรรดาย่าโยอุทธวิษัต์ขึ้นที่ว่ากฎข่มกรรมเพียงเล็กๆไปน้อยที่จะไม่ให้ผลนั้นไม่มีมันให้ผลเจอคนเราไม่รู้ผลใช้ของบรรดาญาโยพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่าน จ้น้ามัตระวังไว้เรื่องที้เป็นของใหญ่อาตมาเคยเห็นทา ย, ยกคนหนึ่งแล้ขอที่โปรดอย่ามาว่าทา ย, ยกทุกคนเป็นเหมือนกันนะเอาเฉพาะรายที่เขาทําความชั่วมีวัดวัดถึงอาตมาเคยไปพักโชคลาภ ว, วันนั้นเป็นวันตรุษจีนพระทั้งหมดลงเสนากําลังสูตรพระเ อ, อินอาตมาติดนีมนเทศ จะต้องไปเทศที่อื่นก็เลยไหว้ที่ลงสลากับเขาลงเรือจา้างพรลงเรือจ้างก็เห็นชายกงีว่าท่านหลังกง่กงโกงชื่อแบกเอาข้าวหนึ่งกำมังใหญ่ระมังลูกโตมากลงเรือแล้วก็แบกขนมเค่งบ้างของที่เขาถาวายตัวจีนบ้างเถอะกับพระลงเรือทั้งทั้งนี้เพราะว่าพระยังสวดไม่จบ เขายังไม่ถวายพระขอส่วนนี้ทั้งหมดเป็นของมากเหลือจากพระคํามันเหลือก็บมายความถวายพระก็เหลือถ้ายังเหลือยังมันบ่นอีกมากมายแกก็นําเรือของแกข้ามฟากไปเอาไปบ้านถ้าจะถามว่าอาไปไว้เป็นนี่ก็ต่าไม่ใช่ทั้งนี้ก็เพราะว่าแกนําำใบบ่ายั้งแก ถ้าจะจะไว้ถาวายเพลงพระก็ต้องอยู่ที่วัดเป็นว่าของทั้งหลายเหล่านั้นเจ้าของเขาตั้งใจถาวายพระแล้วใส่บาตรแล้วแล้วก็กำลังจะนำไปถาไวายพระถ้ายกก็นำไปบ้านก่อนพนดาท่านทั้งหลายถ้าเป็นกรรมอย่างนี้ท่านจะตัดสินใจยังไง จะถือว่าถชายยกมีบาปเมื่อขั้นกากระเปิดไหมก็ต้องตอบว่ามีบาปมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ายัางกากระเปิดเรื่องของของเขายังนํามาไม่ถึงวัดพอเข้าเขตวัดยังไม่ขึ้นสลากาก็ไปขับเอาเอ า, เอาปลาของเขามาเต็มปากแล้วก็มาเก็บไว้ แล้วของที่ทายกหลังโกงคนนี้นําไปแต่เขาใส่บาตรเขาถือว่าเขาถวายพระแล้วถึงแม้ว่าพระจะยังไม่รับโอเคเนี่ยเขาถือต้องถือว่าไปของสงฆ์เพราะบาทเป็นพระชนะรับแทนพระพระจะมือไปรับกับข้าวหรือกับแล้แกงไม่ได้เวลานั่งการบังสวดเขาถือว่าบาตรเป็นของพระเขาได้ให้พระแล้ว เช่นทายกคนนี้ถ้าตายจากความเป็นคนก็ต้องไปอเวจีมหานรกก่อนหลังจากนั้นจึงมาเป็นเปรตอันนี้ตะบรรดาญาโยมพุทธวิสัชนทั้งหลายที่ท่านกูฟังจงรมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากว่าการทําความชั่วบางอย่างเราคิดว่ามันไม่ชั่วแต่มันชั่วไอ้โทษของความชั่วคือลงอบายภูพง ถ้าโทษของความดีกฎข้างความดีก็อย่างน้อก็ไปสวรรค์เป็นต้นนี่มันดาจาักพรรดิศาสนกชนก็อยากจะพูดต่อไปอีกสนิดหนึ่งนอกจากว่าจะ ก, กินของที่เขายังไม่ได้ปัพติศร ะ, ะแต่ว่าบาตรและพระชนะเป็นผู้รับแทนพระอย่างนี้ต้องถือว่าเขาให้แล้วให้กระส่งแล้ว ถ้าคนธรรมดาดีๆไม่มีใครกล้าไปหยิบของในบาทประกินในทรัพย์พระของพระบากินถือว่าเป็นการถวายพระแล้วถ้าถามว่ายังไม่ได้บัคเคนจะบาปหรือก็ต้องตอบว่าเหมือนกับการบัคเคนเพราะนั้นถือว่าเป็นการดี่เขาให้แล้วแต่ถือว่าเป็นการยังไม่ประเคนไม่ได้ก็อยากจะพูดตออีกสักหน่อยหนึ่ง ของที่น่ากลัวก็คือว่าบรรดาญาโยพระตบริษัทส่วนใหญ่ที่รักษาโบสถศต่ินนั่นหมายความว่าหลังจากฟังพระสดแล้วพระฉันแล้วพระยะถาสัพพิเสร็จญาโยก็ยังไม่กลับยังอยู่วัดต่อไปบางท่านก็กลับบ้านบางคนก็ท่านก็มากลับ ตอ น, นี้แตเมื่อไม่กลับก็มีบางท่านทำโถกนั่นคืออาหารที่เหลือจากพระที่พระไม่ต้องการแล้วพระฉันเสร็จขอพระมาบริโภคอย่างนี้ไม่มีโทษแต่ว่าจะต้องขอเฉพาะขอที่พระไม่ต้องการจริงๆนะอย่าไปขอเอาของพระ ของของพระที่ถ้าท่างอย่างาเสีนในในยดาย อ, อยู่ต่เริงตะยมแกงดีๆต้มดีๆขนมดีๆพระย่าติดใจที่จะเบิงฉันถ้าญาติยาโยมเป็นทายกทายกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้บรรทัศผู้บรรชาพระถ้าจะเคยเห็นมาบรร น, นอกนะทายกมักจะมีอานาจเหนือพระอยู่เสมอคิดว่าพระเป็นลูกศิษย์ ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าญาญงคือทายกไปขอพระก็เกินใจ ท, ทั้งทั้งที่เสียดายอยู่ก็จำเป็นต้องให้อย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นการบังคับพระจะต้องกินเฉพาะของที่พระไม่ต้องการจริงๆเพราะว่าของที่ท่านไม่ต้องการท่านบอกโยมขอนี่เหลือแล้วถ้าญายงจะําแบับทานก็ได้นะ ถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านผู้ถวริษัตวทุกท่านจะไม่มีอะไรเป็นโทษอันนี้ก็มาห่วงอีกนิดหนึ่งเคยมีพระพู้น้อยมาเล่าให้ฟังว่ากับข้าวดีๆขอที่เนื้อแร่อร่อยขอที่พระชอบ เวลา ท, ทวาถ ว, วายทานเสร็จก่อนถวายทานนนําำของถวายพระกับข้าวดีๆของมรทอร่อย <c oughs> แกงดีๆถ้ายกมักจะนำไปถวายพระพุทธรูปเป็นการถวายข้าพระพุทธรูปอันนี้ก็ไกม่ใช่เขาแปลกถ้าม่แปลกยูนิดหนึ่งคือว่าการถวายพระพุทธรูปพระพุทธรูปทำไมัน เป็นในเพีการบูชาตอนนี้ในเมื่อเขาไปวางไว้ที่หน้าพระพุทธรูปแล้วต่อไปทายกกอนํานถวายทานทานทั้งหมดถวายเป็นสังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นประมุกตรงนี้มีความสำคัญการถวายสังฆทานแต่นธรรว่าจะถือว่าจะกล่าวถึงพระเจ้าหรือไม่กล่าวก็ตามแต่ว่าถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุก นี่ของทั้งหมดที่ตัง้งอยู่หน้าพระสงฆ์ก็ดีตัง้งอยู่หน้าพุทธรูปก็ดีก็ถือว่าเป็นของข้าถวายสงฆ์ถวายสงฆทานแต่ว่าพอพระฉันเสร็จกลับพระทิฏฐิตาโกธายกลาจากพระวตธรูปออกมากิน อันนี้เป็นโทษมากบรรดาเลยพุทธบริษัททั้งนี้พ่อได้เพราะว่าคราวนั้นเขาถวายสังฆานพระสงฆ์ยังไม่ได้ฉันถ้าจะแก้ว่าเขพระตุลุศันแล้วพระทุกประเสริญเป็นการวางไว้เฉยๆถ้าถือว่าเป็นการบูชาก็เป็นการบูชาได้แต่สิทธิทั้งหมดจังเป็นของสงฆ์ถ้าขอไม่สังฆทาน ทางที่ดีแล้วของที่เก็กบบะถอยพระรูปควจะเก็บไวปไปพระฉันเพลนพระฉันในตอนเพลนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ท้ายกยกเอามากินถ้าท้ายยกยกเอามากินก็ถือว่ากินของสองการกินของสอในบรรดาเจ้าพระพุทธลักษณ์ที่ไปก็คือเอเวจีมหมานรก ทั้นี้พ่ออะไรพ่อของส่งไปแต่นิดเดียวไม่ได้มันเอาเวจีมารมรุกอาเวจีมารมรกมีสาภาพเป็นยังไงตามพระบาลีจะบอกไปอัจจรังคําว่าอาัจจรังคือไม่มีการหวั่นไหวหมายความว่าขยับตัวไม่ได้มันเป็นทองสี่เหลี่ยมเข้าไปไฟข้างหน้าไฟ้างหลังไฟข้างข้า ง, า ง, างหน้าข้างหลังพุ่งมาทั้งสี่ทิศ ถ้าไฟข้างล่างก็พุ่งขึ้นมาไฟข้างบนก็พุ่งลงมาไฟทั้งสี่ด้แล้วพุ่งเข้ามาไฟนั้นไม่มีเปลวเป็นไฟละเอียดสังเกตดูเตาโขกเมื่อไฟแรงมากๆจะไม่มีเปลวเกือบจะไม่เห็นแสงเกือบจะไม่มองเห็นแสงยดตาจะมีความร้อนสูงข้อนี้ฉันในไฟในเวทีหมาไมรกก็เช่นเดียวกัน เป็นไฟที่ไร้เปลวเกือบจะไม่มีแสงไม่ไฟละเอียดมากมีความร้อนจัด้อหอกทั้งไหลเล่มหอกจากข้างบนที่ติดกระหนังข้างบนพิมโลงมาทะลุตั้งแต่ทิะถึงก้นลงไปยันที่พื้นหอกเครื่องายแทงเข้ามาทะลไปหาฝาฝาเขาดาวท่อฝาหอกเครื่องฝาแทงเข้ามา หอบด้านหน้าแทงเข้าไปหอบด้านหลังแทงเข้าไปเสียบหมดไม่มีการหวั่นไหวแม้กระยับปากก็ไม่ได้แทงปากแทงจ ม, มูกแทงหมดแทงทุกเร่างกายถ้าสัตว์นรกที่อยู่ในเวทีจะมองเห็นกระดูกแดงคล้ายกับคล้ายกับเหล็กที่เผาสกดีแล้วมีความร้อนมากมีความเจ็บมากหวั่นไหวก็ไม่ได้มีทุกเวลานอย่างหนัก การลงเวจีมาหานรกสยามต่ำก็ใช้เวลาหนึ่งกับเนื่อไม่ใช่ได้ก็ใช้เวลาหนึ่งพุทธันดร อ, อย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องใช้เวลาหนึ่งพุทธันดรพุทธันดอนหมายความว่าหลังจากพระเจ้าอนุติพันแล้วจนกว่าพระเจ้าอีกองหนึ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ในระหว่านั้นเร็วหนึ่งพุทธันดร เป็นการใช้เวลาที่นับนับจะนอนเป็นล้านล้านปีไม่เใ็นปีสองปีสัตว์จะต้องถอยทุกอย่าอย่างนั้นอย่างหนักเช่นบรรดาท่ายกเครื่องไหลายาทโยงพุทธบริษัทจงระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ให้มากแต่ส่วนใหญ่จริงๆริงอาตมานั่งนับต้องแต่ไป็พระเล็กๆพร้องค์แรก มาเจนกระทั่งเป็นพระแก่ก็มองเห็นสภาพเป็นอย่างนั้นตลอดมาทั้งนี้เว้นไว้แต่วัดท่าสงจะไม่ใช่วัดเดียวนะก็มีหลายวัดที่จะว่าท่านมีความรู้ตั้งพ่อวัดท่านนั้นท่านมีความรู้ท่านแนะนํำทายกุท่านให้มีความเข้าใจเขาก็ไม่ทํากันเขาก็ละเขาก็เว้นอย่งที่ก็มีมาก แล้วก็มีมากกว่านั้นก็คือว่าท่านที่ไม่มีความรู้พอพระกัดเสร็จทายกกระต่างคนต่างยกพปาเสร็จเ้ากินของดีๆเลือกมาแล้วของอย่างไหนมันดีมากชอบใจกินอถวายพพธิุกของอย่งไหนดีมากถวายโพธรุปถวายไว้เพื่อตนกินเอง ถ้าอย่างนี้ท่านยังไม่ต้องเกิดเป็นเปรตจะต้องลงอเวจีมหานรกก่อนพอออกจากเวจีมหานครแล้ก็ผ่านโรกสี่ขุมต่อไปก็ชำระดีบาปไปทุกๆขุมต่อมาจึงจะมาเป็นเปรตนี่ระบรรดาย่าโยมวุตถุวิษัชที่เราขอที่ขอจากพระก็เหมือนกัน ของสิ่งนี้ผมขอจากพระแล้วแต่ต้องสังเกต ด, ดูว่าพระท่านอยากชอบอยู่หรือเปล่าถ้าทำที่ดีเราไม่ขอเลยดีกว่าเราอยู่บ้านเรากินอะไรเราไปที่วัดพิลาใส่บาตรเอาข้าวใส่เอาแกงใส่ขยกไว้หน่อยนึ่งส่วนนั้นเป็นของพระส่วนนี้เป็นของเรากินของเราดีกว่า นึกวถ้าบังเอิญของมันเหลือจริงๆถ้าท่านไม่มีความต้องการถ้าท่านบอกว่าโยมของที่ตั้งอยู่บนเตียงนั้นมันตองบังกรส่นะอัตมาเลิกฉันแล้วไม่ต้องการแล้วยอ ม, มรับทานได้อย่างนี้รับทานได้ธรบรรดาญาโยมบ ร, ริษัทต่างหลายลวโพธิ์ต้องกอดคุ้มกักงความชั่วแต่คนที่ทําความชั่วจนบรรดาธุ์บริษัท ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องลงมารกสมัยไปถ้าเราเป็นคนฉลาดถ้าบังเอิญบาปทั้งหลายที่ทำมาแล้วมันบาปแล้วพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำมาแล้วคือบาปภาปเทวชั่วให้นึกถึงแต่ความดีเราจะตั้งตนใหม่ เป็หลังจากนี้ไปขิ้นจิ่วศินห้าข้อเพื่อหนึ่งพานาธิบาทไม่ฆ่าสัตว์สองทีนาสานราไม่รักทรัพย์สามกามสุชาชานิชจานทาให้พุดเราไม่ทำความชั่วขือนมาแล้วเม่อสามีพัญยาของใครสี่มุสาวาตเราไม่โกหกห้ารารมีไรเราไม่ดื่มศินห้าข้อนี้ตั้งใจรักษาให้แข่งขด ไอสัตว์จริงๆถ้าเราไม่ฆ่าเราก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าอยากยอยากกินเนื้อสัตว์เราก็ไปซื้อเนื้อมาเขาฆ่าแล้วเราไม่เ ร, ไมเราไม่บาปถ้าอยากกินหมูก็ไม่ไมต้องฆ่าหมูเราก็ไปซื้อหมูมาถ้าอยากกินปลาก็ไก็เราก็ไปซื้อปลามาถ้ามันไม่มีสตางค์จริงๆก็ตำน้กพริกผผาหรือน้ำพริกสดก็ได้ เอาผักมาจิ้มกินเขากินเจ ก, กันอยังไงเขาจะสามารถอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันชีวิตไม่มีความจําเป็นต้องไปฆ่าสัตว์เขาถือมังสวิรัติชอบกินเจ ก, กันเขามีความอ้วนทีผ่องใสแล้วก็สามารถจะทรงตัวอย่างเขาได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นอันธพาลก็จะกินเจถ้าเรามีเนื้อเราจะกินเนื้อ ถ้ามีหมูเราจะกินหมูเรามีปลาเราจะกินปลาถ้ามันไม่มีเราจะซื้อถ้าตะตังซื้อไม่มีเราจะอดกินแกงเลียงก็ได้กินผักต้มกับน้ำพริกก็ได้อินผักต้มหรือผักดิบกวบปลาก็ได้ตามใจชอบอาหารที่เพิ่งทําได้โดยไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์มีสมถีไป เขากินได้เราก็กินได้เนี่ยเขาอดอีนาทานจงเห็นใจชาวบ้านเห็นใจตัวเองว่าทรัพย์สินของเราเองน่ะเราไม่ต้องการนะครับมายึดแย่งมารักขโมยเราก็ไม่ควรจะรักขโมยเขาไม่ควรจะยึดแย่งเขาไม่ควรจะคดโกงเขาเอาเว้นมันไม่ดีนีการไปสมรชาจารุ่งเขามีเขาผัวเขา ไม่ว่าเขาใครเขาเป็นเจ้าของก็าเถอะสิทธิ์มีความรักแล้วก็ยับยังไว้ซะก่อนเราไม่ยอมละเมิดสิทธิความรักของบุคคลอื่นโอดใจไว้ไม่ตายหรอกโอดใจไว้ถ้ามันมีความจําเป็นก็ซ่องมีไปซ่องกัแล้วกันถ้ากูเป็นโลกก็ใช้ถุงอย่างบมเรื่อ ง, องเราไป เรามาข้อมูลสาวาตคนที่พูดไม่ความไม่จริงกับเราเราไม่ชอบเราชอบคนพูดตรงไปตรงมาชั้นใดใครโกหกเรเกลียดถ้าได้มาดูใจของคนอืน่นถ้าถาเราพูดตรงไปตรงมาเขาก็คงชอบใครเราไปโกหกเขาเขาก็เกลียดสิ่งใดที่เขาเกลียดมันมีการสร้างศัตรู ท่านเห็นได้มิตรหายไปมีแต่ศัตรูคนเรามีศัตรูมากก็มีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมากนีสศัตรูน้อยก็มีความเดือดร้อนน้อยไม่มีศัตรูเลยมีความสุข <c oughs> ฉะนั้นเรายังไม่ควรจะมีศัตรูเพรเรื่องนี้เพราะเรื่องพูดถ้ามีเรื่องจะพูดตามความเป็นจริงก็พูดตามความเป็นจริง ถ้าไม่มีเรื่องเราก็ไม่พูดเราไม่โกหกใครไอ้มาสุราเะี่เมรัยไอ้สุราเนี่เมรัยที่บรรดาท่านผู้บริสัทธ์นั้นตันเมาเฮ้ยเ ม, มรัยน้ำข่าวให้ยเมรัยขอที่กันแล้วเขาเรียกสุรามันเมาเราไม่ดื่มเป็นเหการณ์ดื่มสุราเนีเมรเราไม่ตายเราดื่มสุราแล้วต้องการเป็นคนบ้าคนเมามีสภาพคล้ายคนบ้า แต่คนไม่มามีสภาพเหมือนคนดีเพอเอาศีลธรรประการนี้เราจะไม่ละเมิดชกเว้นบาปเก่าๆเราเลยมันเสียต่อไปก็ตั้งใจเคารวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจต่อไปก็คิดว่าชีวิตที่เราไม่เช่ามันก็ตายเราจะสร้างจะเพาะความดีคือเคารวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ ถ้ามีสิ้นห้าวัยสุทธิ์ถ้าคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์ปันเต็มด้วยความทุกข์มีความวุ่นวายมีชีวิตอยู่ไม่นานก็ตายถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมไม่ชัาก็าจดติต้องชันต้องชำระนี่ของบาปเราไม่เอาเราต้องการพันิพ่านโรคเดียวตัดสินใจว่าโดยเฉยพาะว่าชื่นชมร่างกายเร็วๆอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการมาอีกเราต้องการพนันธิผ่านจุดเดียวท่านี้เป็นบรรดาท่นานพุทธริษัต ตั้งใจไว้แล้วก็ทําให้ได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธวิษณุทั้งหลายเครื่อชื่อวกฏขนกลางความชั่วต่างๆที่ทํามาแล้วมันจะตามให้ผลไม่ได้เขาก็จะกลับกลายเป็นคนดีอย่างเลวที่สุดเรตายจากความเป็นคนก็ปเป็นเจวดาเป็นนางฟ้าอย่างกลางก็เป็นลมอย่างดีที่สุดปานิพานธ์นรา บ, บรรดาบรรทุพุิษณทุกท่านท่าเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขความสุขสวัสดทีพัฒนาบางคนสมบูรณ์ลผล จงมีเดวันดาจาพระเจ้าสาวกโทนโทนผูน้อ่อนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี